เมื่อลาสิกขาและการงานข้าพเจ้าตัดสินใจลาสิกขาในเดือนมกราคม2507ได้ลาท่านอุปชาและท่านอาจารย์ท่านไม่พูดอะไรท่านอาจารย์ได้กำหนดวันให้เป็นวันที่24มกราคมพุทธศักราช2507ดูเหมือนจะเป็นเวลาเช้าหลังจากพระฉันอาหารแล้วมีเสียงเล่าลือกันไปว่า ข้าพเจ้าน้อยใจที่ไม่ได้ไปเยอรมนีจึงสึกความจริงไม่ใช่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ก่อนว่าจะบวชอยู่เพียงเท่านี้เมื่อมีผู้ถามว่าทำไมจึงสึกข้าพเจ้าตอบอยู่ประโยคเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่อยากอยู่แล้วมีพระนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจำนวนมากเสียดายและบอกว่าพวกอธรมาศึกสักสิบองยังดีกว่าอาจารย์ศึกองเดียว แต่ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะลองมาหาประสบการณ์ทางโลกดูบ้างพระบวชตั้งแต่เด็กไม่เคยใช้ชีวิตแบบคารวาดมาเลยยังไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏอยู่เป็นรายชั่วโมงท่านเลขาธิการในสมัยนั้นคือท่านเจ้าคุณพระเทพกวีหรือพระราชสมมนมุนีจำไม่ได้แม่นคือสมเด็จพระญาณวโรดมองค์ปัจจุบันได้ถามข้าพเจ้าด้วยความห่วงใยว่า หางานทําได้แล้วหรื อ, อยังข้าพเจ้าบอกว่าอย่างท่านบอกว่าควรจะหางานให้ได้เช่นก่อนแล้วจึงค่อยสึกเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วตกงานแล้วอายเขาแต่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่กล้าไปหางานตอนเป็นพระแต่ก็รู้สึกขอบคุณท่านที่หวังดีข้าพเจ้าพักอยู่ที่วัดที่กุฏิเดิมไม่กี่วันไปเยี่ยมคุณนาเลียมวานขอพรที่วงเวียนใหญ่ มีบ้านหลังโตวกว้างขวางคุณ น, น้าทราบว่ายังไม่มีที่อยู่จึงชวนให้มาอยู่ด้วยให้ห้องเล็กๆห้องหนึ่งเป็นที่พักอาศัยสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวที่สุดในช่วงนั้นคือกลัวจะไม่มีสตังค์เสียค่ารถเมล์เพราะสึกออกมาตัวเปล่าจริงๆไม่ได้สะสมเงินทองอะไรไว้เลยอาศัยรายได้เพียงเล็กน้อยที่ไปสอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยสง ดูเหมือนจะชั่วโมงละ20สบหรือสาิบาทจําไม่ได้แต่ก็อยู่ในประมาณนั้นมหาวิทยาลัยสงเวลานั้นยังยากจนอยู่มากรัฐบาลยังไม่รับรองยังไม่ได้งบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาลคงได้บ้างจากมูลนิธิมหาเมกุฎและจากกรมการศาสนาอยู่ที่บ้านคุณนาริมไม่กี่เดือนสองหรือสามเดือนจําไม่ได้แม่น ย้ายไปเช่าบ้านที่ถนนนครชัยศรีระยะหนึ่งแล้วย้ายไปที่ถนนพิชัยช่วงนั้นนอกจากสอนที่มหามกุฏแล้วยังได้ไปสอนที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดโดยการเชิญของครูประยงศ์ีและได้เขียนหนังสือลงหนังสื อ, สอพิมพ์สยามรัฐสัปดาวิจารโดยการชักชวนของคุณประมูลอุณาทูปพอมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้าง หนังสือที่เป็นเล่มตอนนั้นก็พิมพ์แล้วสองเล่มคือแสงเทียนและชีวิตนี้มีอะไรอันที่จริงหนังสือสองเล่มนี้ข้าพเจ้าเคยเขียนลงเป็นตอนๆในนิตยาาสารสุพมิตรรายเดือนมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เป็นพระข้าพเจ้าเขียนเรื่องพระอานุ์พุทธานุชาลงในนิตย์สพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ยืนนานหลายเดือนหรือประมาณ33สาสัปดาห์ และต่อด้วยจอมจกอักรพรรดิอโศกตอนที่เช่าบ้านอยู่ที่ถนนพิชัยนั้นเช่าอยู่คลอห้องกับคุณวัยตาทิพย์หรือปีชาทิยพยานธ์ผู้เป็นเพื่อนนักศึกษารุ่นเดียวกันกับข้าพเจ้าที่มหาวิทยาลัยมหามากุกดเขาชอบทำงานหนังสือพิมพ์ศึกแล้วได้ทำงานหนังสือพิมพ์สมใจหมายอยู่สยามรัฐบ้างไทยรัฐบ้าง บางเช้าก็ไปวิ่งด้วยกันที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าอยู่ที่บ้านเช่าได้ไม่นานนักทางโรงเรียนพานิชยาการสีลมของอาจารย์ประชุมรัตนเพียรต้องการอาจารย์ผู้ปกครองจึงติดต่อมาทางท่านเจ้าคุณมหานายกแจ่มอภิบาลสีวัดบอวรอ น, นิเวศวิหารซึ่งเป็นพระบ้านเดียวกันกับอาจารย์ประชุมคือจังหวัดตาก ท่านเจ้าคุณมองเห็นข้าพเจ้าว่าจะไปเป็นอาจารย์ผู้ปกครองได้จึงเสนอข้าพเจ้าแก่อาจารย์ประชุมได้เงินเดือน900บาทระหว่างที่สอนอยู่ที่โรงเรียนพานิชยการสีลม น, นั้นทางโรงเรียนเตรียมทหารต้องการอาจารย์สอนวิชาศิลธรรมได้ติดต่อขออาจารย์สอนวิชาศิลธรรมทราบว่าผ่านมาทางนาวาอากาศเอกประยงศวรรณบุพภา อนุสาศาสนาอาจารย์กองทัพอากาศข้าพเจ้าไม่ทราบยศในขณะนั้นของท่านว่าเป็นยศชั้นอะไรอาจารย์ประยงได้เสนอข้าพเจ้าไปอาจารย์ประยงเป็นสิทธิ์เก่ามหมามกุตรุ่นสองสมนักวัดราชประดิษฐ์ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปให้โรงเรียนเตรียมทหารข้าพเจ้าไม่ได้กระตือรือร้นแต่ประการใดนึกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ไปสอบคัดเลือก อยู่โรงเรียนพานิชยาการสีลมได้หนึ่งเทอมทางโรงเรียนเตรียมทหารก็เรียกตัวนาวาอากาศเอกประชุมอารีรอบรองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารได้ไปตามข้าพเจ้าถึงที่อยู่ที่ถนนพิชัยต่อมาข้าพเจ้าได้ย้ายไปอยู่ที่หอพักธรรมนีว่าทของวัดมกุฏกษัตริยารามตั้งอยู่ท้ายวัดมกุฏ ติดกับสถาบาันโรคผิวหนังของกระทรวงสาธารณาสุขในปัจจุบันเป็นหอพักที่รับเด็กนักศึกษาซึ่งมาจากต่างจังหวัดไม่มีที่พักมาสมัครเพื่อเข้าอยู่เมื่อผ่านคณะกรรมการแล้วก็เข้าอยู่ได้ทางวัดต้องการผู้ปกครองบรรณาธิการนิตยาสารสุพมิตรคือคุณมนูญทารานุมาตรได้เสนอข้าไเจ้า เมื่อคณะกรรมการอนุมัติแล้วจึงได้ติดต่อขอให้ข้าพเจ้าไปอยู่เป็นผู้ปกครองนักศึกษาเท่าที่จําได้นักศึกษาเวลานั้นก็มีจากจุลาลงกรมหาวิทยาลัยและจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้นจากจุลาลงกรเช่นโกัมนคีมทองสวัสดอมรสิทธิ์จากธรรมศาสตร์เช่นสถิตอัธบุญยุคนวินัยพักดีเป็นต้นนักเรียนแพทย์สิริราชก็มี นักศึกษาอยู่ที่นั่นไม่ต้องเสียเงินค่าหอพักแต่ต้องหากินเองข้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยความรู้สึกมีความสุขสดชื่นอยู่ใกล้ท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวีบรรจงกัลลิโตเพื่อช่วยเลขานุ ก, การสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นเลขาสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ในปัจจุบันขณะนั้นเป็นพระราชาคณะที่พระกิตติสารมุนี ประจวบกันตาจโรข้าพเจ้าสนิทสนมกับท่านทั้งสองมาเป็นเวลานานโรงเรียนเตรียมทหารที่โรงเรียนเตรียมทหารข้าพเจ้าได้พบนาวาเอกประชุมอารีรอบได้พบพลตรีปิยะสุวรรณพิมพยศในขณะนั้นและนายทหารอื่นๆอีกมากมายพลตรีปิยะและนาวาเอกประชุมเป็นนายทหารที่สุภาพและสง่างาม ตอนนั้นข้าพเจ้ายัางแต่งกายพล เ, เรือนอยู่นานเท่าไรจำไม่ได้ถูกไปฝึกทหารที่กรมการรักษาดินแดนใกล้วัดโพท่าเตียนพร้อมกับอาจารย์อุทัยทันตสุวรรณซึ่งจบมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอนวิชาคณิตศาสตร์ตอนหลังคนตรีปิยะได้ย้ายไปเป็นเจ้ากรมศึกษาวิจัยได้เลื่อนยศเป็นพลโทและพลเอกตามลาดับ ข้าพเจ้าไปฝึกวิชาทหารอยู่กี่วันจำไม่ได้คิดว่าไม่ถึงเดือนตอนเย็นยังกลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหมามกองขุนข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีร่างกายอ่อนแอแต่มีบางคนอ่อนแอกว่าข้าพเจ้าอีกที่ไปฝึกทหารพร้อมกันจากหน่วยอื่นๆด้วยคิดว่าประมาณสามสิบคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพื่อรับยศเป็นร้อยตรี ผููฝึกซึ่งเป็นนายสิบบ้างจ่าบ้างไม่ได้เข้มงวดอะไรเวลาวิ่งรอบสนามเขาจะบอกว่าใครไม่ไหวให้วิ่งออกจากแถวมีหลายคนวิ่งออกจากแถวบ่อยๆข้าพเจ้าซึ่งคิดว่าตัวเองมีร่างกายอ่อนแอไม่เคยวิ่งออกจากแถวเลยเวลาให้ยิงปืนทั้งปืนสั้นและปืนยาวข้าพเจ้าไม่เคยยิงถูกเป้าเลยคงจะไม่ได้เกิดมาเพื่อถือปืน เป็นทหารถือช็อกและปากกาเป็นอันว่าฝึกทหารเสร็จเรียบร้อยก็ได้ติดยศเป็นร้อยตรีเคยถามรองประชุมอารีรอบว่าไม่ต้องแต่งกายเครื่องแบบไม่ต้องติดยศได้ไหมท่านบอกว่าไม่ได้ท่านถามว่ามียศไม่ดีหรือไปไหนก็มีคนให้เกียริและเกลียงใจข้าพเจ้านิ่งอัตราที่กองทัพเรือว่างข้าพเจ้าจึงได้รับบรรจุให้เป็นทหารเรือ แต่พอข้าพเจ้ามาคุยกับพลตรีปียะท่านถามว่าอยากเป็นทหารบกหรือทหารเรือข้าพเจ้าตอบว่าอยากเป็นทหารบกท่านจึงให้โอนมาเป็นทหารบกท่านทําโดยวิธีใดข้าพเจ้าไม่ทราบท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการทหารเรื่องทํานองนี้คงทําได้ไม่ยากรู้สึกว่ารองประชุมจะน้อยใจยอยู่นหน่อยๆแต่เสร็จแล้วก็แล้วกันไปท่านไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ ที่นั่นมีรองผู้บัญชาการอยู่สามท่านคือนาวาเอกประชุมอารีรอดเป็นทหารเรือนาวาอากาศเอกสิงห์สิริคุปเป็นทหารอากาศพันตํารวจโทเจือจันทร์จันทเพนเป็นรองฝ่ายตํารวจเพราะที่นั่นเป็นนักเรียนรวมเมื่อจบแล้วต้องแยกย้ายกันไปเรียนในโรงเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศและในร้อยตํารวจ ข้าพระเจ้าเข้าไปสอนเมื่อปี 2,508 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8เพราะโรงเรียนเตรียมทหารตั้งขึ้นเมื่อปี 2,500 พอดีข้าพระเจ้าสอนอยู่ที่นั่น4ปีนอกจากงานสอนแล้วท่านผู้บัญชาการยังให้เป็นหัวหน้ากองมาคับการหรือหัวหน้าบกซึ่งเป็นเหมือนกองกลางของโรงเรียนคือหนังสือราชการทุกฉบับจะเข้าหรือออกต้องผ่านมาทางหัวหน้าบก ฟังดูเหมือนใหญ่แต่ความจริงไม่ได้ใหญ่เพราะข้าพเจ้ามียศเป็นเพียงร้อยตรีเท่านั้นเองหัวหน้ากองวิชาการหัวหน้ากองการปกครองท่านเป็นพันเอกกันทางนั้นหัวหน้าบอก่อในความหมายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำอยู่เท่ากับหัวหน้ า, ผานแผนกสารบัญกำลังและก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนอกจากงานเกี่ยวกับหนังสือนี้แล้ว ข้าพเจ้ายัางได้รับมอบหมายจากท่านผู้บัญชาการให้ร่างสุนทรพจน์สําหรับท่านปลาศัยในอากาศต่างๆเช่นโอวาทนักเรียนเตรียมทหารในห้องประชุมเป็นต้นข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทํางานนี้ท่านผู้บัญชาการจะไม่อ่านสุนทรพจน์ในที่ประชุมแต่จะจับสาระสําคัญไปพูดปากเปล่าโดยไม่ดูต้นฉบับการเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหาร ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งทําให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์มากมายในอาณาจักรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าไปอยู่และไม่เคยขนขวายคนเอกพิยะนั้นมีบุคลิกที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสมเป็นผู้นําคําสั่งของท่านชัดเจนและรู้จักให้เกียรติผู้น้อยท่านเป็นนายทหารที่เป็นนักการศึกษาและเป็นนักจิตวิทยา ข้าพเจ้ายังนึกภาพของท่านได้อยู่เมื่อข้าพเจ้านำงานเข้าไปส่งท่านจะกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งและไม่เคยรุกรานผู้น้อยข้าพเจ้าน่าจะเป็นคนโชคดีในเรื่องนี้คือเจอแต่ผู้ใหญ่ที่ดีๆมีความเอ็นดูและความปรานีต่อข้าพเจ้าอย่างดีเสมอมาปี2511รเข้าพเจ้าได้เลื่อนยศเป็นร้อยโท ไปติดยศที่กระทรวงกลาโหมพร้อมกับอาจารย์อุทยัยทันตสุวรรณและนายทหารจากที่อื่นๆด้วยแม้ข้าพเจ้าจะคิดว่าการเป็นทหารอยู่ที่นี่ดีแต่คิดอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่ทางของเราจึงคิดจะลาออกอยู่เสมอ